ยี่สิ2เจ็ดในโรงแรมการมาถึงพอเทลอันคอมสคุณมีห้องว่างไหมคะหาดเรอเลรูม ดิฉันจองห้องแล้วค่ะ Jeg har ฉันมี Jeg <heter> นห้องเล er รค์ค่ะฉันมีห้องแล้วค่ะฉันมีห้องแล้วค่ะฉันมีห้องแล้ค่ะฉันมีห้องแล้วค่ะ ห้องราคาคืนเท่าไหร่คะาคาสตร per ดดิฉันอยากได้ห้องที่มีห้องน้ํ่าทค่ะฉันอยากได้ห้อีมี่ฉันอยากได้ห้องที่มีฝักบวัวค่ะอดี่มีฉันอดห้องที่กได้ห้องาได้หงมคะได้ห้ r งที่มคะ ที่นี่มีโรงรถไหมคะที่นี่มีตู้นิรภัยไหมคะ safe? ที่นี่มีเครื่องแฟกซ์ไหมคะดีดิฉันเอาห้องนี้คะ่ ott, ยยะ Flo อตฉันจะเอาห้อง นี่กุญแจห้องค่ะฮาร์เอร์น็อ n เลนี่กระเป๋าเดินทางของดิฉันค่ะฮบบริการอาหารเช้ากี่โมงคะบริการอาหารกลางวันกี่โมงคะ บริการอาหารเย็นกี่โมงคะนอร์เ de ์เดควิลสมั